วันนี้เรามาประเหตุการจนงใจของคุณแม่ผู้งูลัลไปแล้วอายุ84เจรใญ่ใญ่ซึ่งคุ้นเคยกับวัดเป็นอย่างเดียววันนี้จะพาพหลักคณะสงฆ์คณะสัทธาวัดสันติธรรมเนคณะแรกคณะที่สอง บริษัทเปิดกิรารร่มกันซึ่งเป็นผู้ออกทุนทรัพย์ในการสร้างศาลาหลักนี้แล้วก็ลูกสาวคุณแม่ก็ทํางานที่บริษัทนี้เป็นผู้จัดการตอนนี้ถือว่าเป็นเจ้าภาพที่สองเจ้าภาพที่สามคือสังคมห้าการนอกจากนั้นในลูกหลานร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในการจับใจของคุณแม่นะครนี้วันนี้เป็นคืนสุดท้ายถ้าสมมติว่าพระพูดไม่เชื่อนถ้าคุณหมอบอกพวกเราว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วนะเราจะเชื่อไหมคิดว่อเราจะเชื่อหมอไหม เพราะเหตุการณ์จากไปสองสามวันที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับศพมา่ตลอดวันละสองสามเวลาโดยเฉาวันนี้ขึ้นเมษีตั้งแต่เช้าบา่ายค่ำพิภพนี่นเกี่ยวกับศพ ต, ตลอดเวลาถามขอไปมาความเป็นไปก่อนหน้านั้นปรากบกัาโรงพยาบาลบริการไม่เพียงพอโดยเฉพาห้องพิ เ, เศษ เห็นไหมก่อนจะแค่ได้ป่วยเพราะนั่นวัยสุดท้ายคือวัยเกษียณของพวกเรานี่ท่านบอกอยู่มหนึ่งบางคนใช้ชีวิตในวัยเกษียณที่โรงพยาบาลเราไปใช้สตังที่หามานไปใช้ที่โรงพยาบาลพวกเราคิดว่าเป็นเรื่องจริงไหม บางคนหมดไปไปสิบล้านสถาวัตบางคนเงาะฟังยศพอตอนนี้อยู่โรงพยาบาลก็ไม่ต้องออกชื่อเขาหรอหมดไปแล้วสิบกว่าล้านเงินท่อที่หามาชีวิตเพื่อมาใช้นอนอยู่โรงพยาบาลนนะั้นฝากให้พวกเราคิดว่าเราอยู่กับโลก โลกก็คื อ, คอเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นโลกอย่างคุณแม่ตอนนี้นเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายอันนี้คือโลกโลกก็เกิดมาคือใช่สตางี้แหละอีกธรรมนั่นคือสติโลกกับธรรมสองคำสตางธรรมคือสติอันนี้คือเราจะต้องระมัดระวัง คือไปเสมมอว่าถ้าอยู่กับโลกอย่างเดียวคือเกิดแก่เจ็บ แ, แล้วก็ตายอันนี้คือโลกสตังก็ไม่ได้ใช้ละหมดลมหายใจก็ไม่ใช่มนคุณไม่ตอนนี้แปดสิบสี่หามาทั้งชีวิตจนอยู่แปดสิบสี่ต่อไปนี่ไม่ได้ใช้จะรวยเท่าไหร่มีเท่าไหร่ไ ม, ม่มีเท่าไหร่ไม่รู้นี่คือโลกส่วนธรรมคือสติสติมันต้องจิตที่จิตไปสตังมันอยู่แคโลกนี้ ก็ช่วยเราได้เป็นมากเพราะว่าตัวสติเนี่ยเป็นตัวสําคัญมากมากเพราะยยนั้นญาติโยมทั้งหลายมีหน้นาที่หาสตาส่วนฝ่ายศาสนาฝ่ายพระสงฆ์โอริฝ่ายนักบวชเนี่ยมีนที่หาสตินี่คือขอค้อแตกต่างอย่างหลวงพออยู่คอบพรเหลืองมากห้าสิบกว่าปีแล้วนั่นคือขอ้อแตกต่างเพราะฉะนั้นเพื่อให้เราก็เกิดสติหรือว่ามีสติ คาว่ามีในที่นี้ให้พวกเราเนึกอย่างนี้เหมือนกับสตังมีสตังกับรู้จักสตังเนี่ยพวกเราแตกต่างกันคนรู้จักสตังหนาเยอะแต่คนมีสตังมันน้อยสติเหมือนกันคนที่มีสติมีน้อยแต่คนรู้จักสติมีเยอะเพราะฉะนั้นสรุปไว้ง่ายคือ คนที่รู้ทำมันเยอะแต่คนที่มีทำมันม น, น้อยในเมื่อมีน้อยมันก็ไม่พอใจเหมือนมีสตังเสตังเรามีน้อยรู้ว่ามันมีค่าแต่แปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้สติก็เช่นเดียวกันเมื่อเรามีสติน้อยก็ทำอะไรไม่ได้ยังไงก็ตามมนุษย์รู้คนเราเนี่ยปริยดาสอนพวกเราเนี่ยไม่ได้สอนธรรมดา สอนตั้งแต่เกิดจนตายสอนอย่างโดวยยวศพระเรื่องอยู่เรื่องกินถ้าพูดยาแ ย, ายาง่ายคอุจจารปัสส า, าวะพระพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์ถ้าเป็นบุคลแบบบคลต้นแต่บุคคลตัวอย่างเรามาดูว่าวุธยาของเรานะ่ะสิ่งที่เราได้รับผลคอยมาทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าหาสตางค์ทางชีวิตนี ทำไมพู้เจ้ากับหันหลังกับพวกนั้นในวัยแยี่สิบเก้า 29, แล้วก็เข้าป่าผ้าผ่อนชุดเดียวอาหารกันกินก็อาศัยชาวบ้านเขาให้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเขาเกินอะไรก็กิกนกระดานนั้นอยู่ป่าอยู่ใต้ต้นไม้กระสับนะสถานะอ า, าท่านกคือกระสับ ถ้าทำเป็นพวกเราเราทําได้ไหมเราพู้นี้เราเข้าป่าดูลองผู้นี้เราไปทํากับข้าวกับปาลาเราไปที่ตลาดได้ใชปที่ขอข้าวกินทําได้ไหมอันนีอการสอนเรือกว่าการรับและการ ร, า ร, รู้มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผลมันจะต่างกันมนุษย์เนี่ยมันต่างกันสามอย่าง คือหนึ่งคือวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำเราจึงเรียกว่าพฤติกรรมในการแสดงออกไอ้อย่างนี้อาจารพูดจะสอนสามเรือ่องแคน่นี้ไม่ได้สอนเยอะว่าคิดยังไงตัวเองมีความสุขคิดยังไงตัวเองมีทุกข์ไม่สามารถจัดการตัวเองได้รู้ว่ามันทุกข์ อ, อยู่ยังคิดอยู่รู้ว่าพูดอย่างเนี้มันลําบากทั้งตัวเองแนละ้วออก็อื่นก็ยังพูดอยู่รู้ว่าทําอย่างนี้ พฤติกรรมอย่างนี้เขาไม่ชอบสังคมเขารับไม่ได้ก็ยังทําอยู่ไม่ะจะไปโทษใครอันนี้ถึงที่พะระเจ้ารวมๆเรียกว่า ก, กรรมนี่คือกรรมที่แท้จริงส่วนผลของกรรมก็ตามนี้แหละคือคิดดีผลมันก็ดีพูดดีผลมันก็ดีทํา ด, ด, ดีผลมันก็ ด, ด, กดีแล้วมันก็ตรงกรข้าม สี่กุศลอกุศลมาเกิดตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนลึกลับซับซ้อนอนะไรให้เราจเจ้าเรื่องควบคิดของตัวเองเนะี่ยใครที่สามารถควบคุมกํากับดูแลควบคิดของตัวเองได้เนะนี่ยคือยอดของคนใครที่รักษาคโพูดระมัดระวังรู้จักกาลเทศะเนี่ยเป็นยอดคนใครรู้จักที่จะงับยัดยั้งทางกายทางวาจาใจตัวเองได้ น, ะนั่นคือยอดของคน วัตถุประสงค์การปฏิบัติธรรมก็ต้องการอันนี้ให้เราเข้าใจของตรงนีน้เพราะฉะนั้นคุณเจ้ารวมรวมผู้จะสอนวัตถุคือสุขังทำไมถึงสอนว่ า, วาทุกถุมนุษย์เราก็อยู่กันแค่นี้อยู่กันโดยอายุสี่ไม่ยืนก็เดินไม่เดินก็นั่งไม่นั่งก็นอนแต่อยู่นานไม่ได้ แต่แล้วอะไรบทอยู่นานไม่ได้ถ้าสมมติเรานั่งนานแล้วมีความสุขเรานันตัวเองใครเคยนั่งสมาธิไหนะถึงสามสบนาทีไหมถึงชั่วโมงไหมโคอาจาย์ต่านั่งไปสองสามชั่วโมงเพื่ออะไรเพื่อให้รู้จักคำว่าทุกยืนเดินที่ท่านเดินโยกมเดินไปเดินมาเนะี่ยเพื่อเห็นคำว่าทุก มันอยู่ยากลาบากเพราะนั้นโดยสรุปก็คือยืนเดินนั่งนอนเป็นตัวบงังไม่ให้เราเห็นทุกข์พอนั่งร้านมันก็เริ่มทุกข์ละยืนเอาอไปเดินอสุดท้ายทํามันลาบากก็คือนอนเลยไหนไอ้วันทั้งสี่ยืนเดินนั่งเนี่ยพวกเราลองจิดดูอ่ะไอ้วันไหนที่ใช้มากที่สุด คำถ้าอาจต่อวันนั่งโอชั้นนั่งทางานทั้งวันไม่ใช่ภริบที่ใช้มากที่สุดก็คือไอโยที่คุณแม่ใช้อตอนนี้ไอบทนอนถามว่านอนแล้วความดีความชั่วภูโนุนอาภูสนเกิดไหมอยู่ในโลกของความฝันอยู่ในโลกของพรวังข้าจิต คือร่างกายมันทำงานเฉพาะลมหายใจแต่ส่วนอื่นมันอยู่ได้เพราะวังแค่จิตตัวนั้นน่ะตัวที่ไปเกิดเป็นพพเป็นชาติมาตัวรวังแค่จิตตัวนั้นตัวที่นอนหลับไปแล้วร่างกายไม่รับรู้อะไรแต่จิตคือตัวนั้นแหละเพราะนั้นที่เรียกว่าตายตายเนะ่มันตายแต่กายจิตมันไม่เคยตายมันไม่เคยตาย เพราะนั้นพระพุทธราระวังว่าอายุที่เรามีอยู่เนี่ยนอนจับ ก, กังวลมากกว่านอนมากก็วันหนึ่งเราก็จะนอนเหมือนคุณแม่นี่แหละพอนอนเสร็จแล้วเป็นอายุที่ไม่มีสติเยกวะแต่สติเลยต่อให้าตังมีร้อยก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาเห็นชัดเลยว่าเออสตังที่เรามีอยู่เวลานอนใช้สตังได้ไหมไม่ได้ สติขนาสติแท้ๆเลยยางควบคุมตัวเองไม่ได้ไร่างกายอยู่ในโลกของความฝันคือพวังขจิตที่เรียก ว, ว่าฝันเรียก ว, ว่าสุบินเรียก ว, ว่านิมิตความหมายอันเดียวกันหรือท่าตั้งห้าคือรูปเวทนาจิตญาณขันธ์วิญญาณรูปตาก็ทําอะไรไม่ได้หูก็ทําอะไรไม่ได้หรือแต่จมูกอย่างเดียวเท่านั้นที่เขาออกก็คือลม ท่าตั้งสีใช้ได้ท่าเดียวคือลมเข่าออกเข่าออกเมื่อหมดลมแล้วเนี่ยเหมือนคุณไม่เราเนี่ยหมดทุกอย่างก่อนนี้คือสิ่งที่พรุทธเจ้าทองค้นพบพระพุทธเจ้าก่อนที่ จ, ตจะตรัสรู้ท่านก็นดูลมหรืออัศสาสะปัสสาสะรื อ, อาณาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข่าออกลมหยาบลมกลางลมละเอียด ันกำหนดลมได้จนบังคับลมได้รู้ลมได้ที่เข้าถึงใจฉัจนเข้าใจว่ากายก็อีกเรื่องหนึ่งใจอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นส่วนประกอบของพวกเราทุกคนมีสองเรื่องแค่นี้แหละคือเรื่องหนึ่งเรื่องของกายคือรูปสองเรื่องของนามคือเวทนาจิตนาการจิตวิญาณนี่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เข้าใจระบบการทันานหรือกระบวนการนานสิ่งตอนน่อเนี้ก็เท่ากับเราไม่เข้าใจตัวเอง ไม่รู้จักตนเองพอังการปฏิบัติธรรมคืต้องการให้เราเห็นตัวเราเองเนี่ยเราเห็นคนอื่นมาเยอะ mm. คนนั้นดีเห็นหมดคนนั้นชั่วเห็นหมดอแต่เวลาตัวเองไม่เห็นไง เ, เขาเรียกว่าไม่เห็นตัวเองมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคือต้องการให้เราเห็นตัวเราเองจึ่เรียกว่าอุปสรร วิปัสนาแปลว่าทั้งรู้แล้วก็เห็นด้วยจะรู้อย่างเดียวแล้วรู้เห็นแล้วก็วางคือว่าอารมณ์นั้นนั้นที่เราวิปัสสนาที่เราจะไปทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติธรรมคือรู้ด้วยกับวางได้ด้วยคือวางอารมณ์นั้นเพราะว่าถ้าเราวางไม่ได้เราก็จะไปติดตขัดไปหมดค้องไปหมดแลอะอุปาทานมันยึดมันถือเป็นเราเป็นเขาสุดท้ายก็ไม่ได้อะไร เพานั้นในฐานะที่เราทั้งหลายเป็นคนวัดคนวาอย่างน้อยที่สุดก็คื อ, อนา น, นาเขาวัดทีแตคืออยากให้เขกเราเข้าใจตรงกันเรามามีโอกาสได้เข้าวัดไม่เป็นไรขอให้เข้าใจสั้นๆตามอย่างตามเรื่องจะต้องไม่ไปวัดเยอะเดี๋ยวท่านก็จะไปแก้กรรมแก้เวร วัด น, นั้นรถนำามาขากน้ำมนต์สลักเคาะสลักครับสระเวนวันวหนึ่งไปถึงแปดวัดเก้าวัดถาาไปเพื่ออะไรเพื่อไปเอาน้ำมนต์แล้วมันจะดีขึ้นที่จริงบรรณอาจารย์ท่านว่าเป็นกุสโลโบายนี่ท่านฉลาดลกับพวกเราหลายชั้นทำไมถ้องบอกไปแปดวัดเก้าวัดมันต้องมีสักวัดที่พระต้องถามว่าเป็นอย่าง เอาน้ำน่ะเป็นอย่างมันจะได้ถามที่ไปช่วาท่านก็จะได้ันี้ในทางถูกต้องไม่ใช่ว่าต๊้น้ำบ่อมีไหนป้นแล้วตักแล้วกลั บ, บ้านได้อะไรมนาะไม่ได้เพราะนั้นการเข้าวัดที่แท้จึงคือเอาแค่วัดคำเดยวนี่ยแหละรวนชื่อข้างหลังไม่ต้องไปสนใจอันนี้ไม่ได้ต่อต้าน ไม่ต้องเข้าใจก็หมายความว่าถ้าเราเข้าใจการเข้าวัดคือวัดสารอย่างวัดกายตัวเองวัดวาจาตัวเองนี่เห็นไหมแล้วก็วัดใจตัวเองได้นั่นนึ่งการเข้าวัดไอ้ที่ชื่อที่ตามหลังสารพัดสองสามหมื่นวัดไม่ต้องมาสนใจต่อไปแล้วสามหมื่นวัดแต่วัดกายวัดวาจาตัวเองให้ได้นี่ก็ไม่มีประโยชน์อะไร เมื่อวันนี้นี่เขามาวัดสันติธรรมสันติสงบนะอะไรสงบกายมันต้องสงบวาจาต้องสงบโดยเพราะทัดใจสงบได้ยิ่งดีเลยถ้าเข้าใจตรงกันอย่างนี้มันจะได้ปัญญามนได้มาเพื่อให้เจ้าภาพเห็นหน้าโ อ, โอมาแล้วคุณไม่ได้อะไรก็ได้แต่เข้ากองกับบ้านเออโอเคนั้นนะ นั่นมาแล้วคือมันต้องได้สติและกับปัญญากลับไปเป็นอาวุธคือแสงสว่างเออมันก็สว่างขึ้นโอ้เราไม่รู้มานานหลังการเข้าวัดแทนที่จะไปเอาวัดกายวัดวาจาถามว่าถ้าววัดเราได้วัดกายวัดวาจาวัดที่ไหนศีลศีลเป็นตัวชีวัดเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องวัดว่ากายกับวาจาของเราเนี่ยมันแตกต่างกับคนและสัตว์อย่างไร อันนี้คือวัดกายวัดวาจาถ้าวัดกายวัดวาจาตัวเองได้นี่คือเป็นคนละเป็นมนุษย์ละวัดใจวัดอุจใจของตัวเองโดยสภาวะและ้วรู้ว่าการเข้าวัดแล้วจะสภาวะจิตสภาวะใจต้องเป็นยังไงจะต้องทําตัวอย่างไรเนี่ยถ้าไปแสดงเหมือนกันหมดมันไม่ต่างกันมันไม่แตกต่างกันเลยแล้วคงจะไม่ได้อะไรคือไม่ได้สาระคือแก่นคือแก่นของธรรมแก่นของชีวิต ดังนั้นหลวงพอพูดอยู่เสมอว่ากระบวนการชีวิตของเราเนี่ยคือชีวิตเรามาเถยวโชคดนะีแต่ชีวิตทั่วไปมันก็เหมือนกันหมดไม่แตกต่างแล้วก็มีจิตครองเรียกว่าคนและสัตว์มีเหมือนกันหมดกรรมคือการกระทำนี้เหมือนกันหมดสรรพสัตว์ทั้งหลายมีเหมือนกัแต่ที่เขาไม่มีคือศีลกับธรรมถ้าเราไปไม่ถึงตรงนั้น มันก็จะไม่แตกต่างกันเลยถ้าเราไม่มีอะไรสักอย่างอนาคตหมดลมหายใจแล้วจะพาว่าจิตมันจะไปไหนเมื่อยังมีชีวิตอยู่ไม่รู้จักคำว่าสิ้นเลยนั่นคือเป็นที่มาว่าทําไมจิตมันเต็มไหลหไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเคยเป็นมาทุกอย่าง ที่นั่งๆอย่างนี่ยไม่มีอะไรที่เราไม่เคยเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายมาแล้วผู้ชายเป็นผู้หญิงมาแล้วนั่นเป็นสารภาพเป็นเหมือนผู้ดีเจของเรานียก่อนที่ผู้ดีเจ้าเราท่านเป็นมาสารภัพอย่างนั้นั่นก็แปลว่าจิตของเราเนี่ยเช่นเดียวกันอย่าประมาทว่าตอนนี้เราเป็นคนคิดตัวเองเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ตรงไหนคูดเอาเองหรือเปล่า ข้าเป็นม้นมนุษย์ต้องสิทครบนะคือจะเรียกตัวเองเป็นมนุษย์ได้คือศีลหา้าต้องครบศีลห้ามันครบเป็นมนุษย์ไม่ได้พราะนคนที่เอ็กเป็นมนุษย์เต็มปากเต็มคำต้องมีศีลห้าครบเพราะฉะนั้นโบราณอาจา ร, รย์ที่วางหลักเกณฑ์ที่กรรมทั้งหลายแหล่ที่ทำไว้ทั้งหมดล้วนมีปริศนาธรรมแฝงอยู่ในนั้นทั้งนั้นนั้นวันนี้ถือว่าเราโชคดีอย่างน้อยที่ถุด ครับเสมือนหนึ่งว่าตอนนี้เรามาดูหนังดูละครดูภาพยนตร์ที่แสดงจบแล้วคุณคุณแ ม, ม่แล้วดาวันแนี้แสดงจบแล้วภาพยนตร์จบแล้วนะเรากำลังชมอยู่ถามว่าชมแล้วได้อะไรคิดอะไรได้มา้าเพราะนั้นอย่าประมาทในวัยในชีวิต ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปพึงตั้งใจทำใจขอเองให้เข้าถึงควารัตนใจเป็นที่พึงเป็นหลักสองก็คือตั้งใจว่าศีลห้าเนี่ยต้องครบถ้าไม่ครบอย่างน้อยสองสามข้อต้องมีถ้าวันไหนไม่มีศีลห้าเลยเนี่ยมันเป็นคนไม่ได้มันเป็นคนไม่ได้เ ป, นนไไดเป็นอะไรมาเท็โดยสภาวิจิตนะไม่เกี่ยวกับร่างกาย มันหยาบช้าเห็นไหมข่ากันแกลงกันคนไหมนั่ น, มนไม่ใช่ค น, นไม่ใช่สภาวะที่เป็นคนที่ใช้กําลังต่อสู้ห้ามอาหารกันอ น, นั้นสัพวสัตว์ทั้งหลายก็ทํากันเวลาเขาต่อสู้กันเขาไม่มีอาวุธอย่างพวกเราใครมีกําลังกว่าเหนือกว่าคนนั้นชนะนั่นไม่ใช่วิธีของมนุษย์มนันคือของคนพราะนั้นสิ่ที่เป็นเรื่องสําคัญนอกจากนั้นสํารวจ ตรวจจาตัวเองในแต่ละวันก่อนหลับก่อนนอนนี่นึกถึงคุณของต้นเจ้วนะคุณของประธรรมคุณของเที่องความใจแต่ไปนึกคุณของสินวันนี้เรามีความดีอะไรเพิ่มเติมมัง้งเหมือนเรามีสตังก่อนจะปิดร้านปิดอะไรก็นับส ต, ตังค์ดูเช็คตังค์ดูวันนี้ได้กำไรเท่าไหร่ทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไห ร, ไหร่ชีวิตเราก็เหมือนกันให้ทบทวนดูตัวเองอยกไหว้พร เสร็จแล้วทบทวนตัวเองของวันนี้ความคิดวันนี้เราคิดดีคิดไม่ดีคิดแล้วไปทําร้ายไปทําลายคนอื่นต้องระวังพวกนี้ต้องระมัดระวังต้องสําุวิคําพูดพูดไปแล้วมาเสียดแทงคนอื่นมันเป็นอาวุธเป็นห อ, อกเป็นดาบประหัตประหารคนอื่นเขาก็ต้องระวังมันจะได้รู้ว่าเออเราเนี่ยไม่ใช่ทำดาบนะปากเนี่ยบางทีก็อาวุธยกกระเมตรยกกระปืนไปทิ่งไปแทงเขา ระวังนี่คำพูดการกระทำพฤติกรรมที่เราแสดงออกในวันนี้มาต่อตัวเองดีแต่คนรอบรู้รอบข้างก็ดีอะไรที่มันไม่เป็นประสงค์หรือหว่ามันไม่ดีเลยก็ควรเจรระวัตรระวังตั้งใจว่าพรุ่งนี้เราจะมาให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกเล่น ก, ก่อนหลับก่อนนอน มันก็จะหลับไปเพราะกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ความดีและแก้ไขตัวเองหลับสบายเพราะไม่มีความกังวลไม่มีศัตรูหลับไปความสบายตื่นขึ้นมาก็สดชื่นมีกําลังตรองกันข้ามก่อนหลับก่อนนอนเพรวะพวองโป้งสั้นจะเกิดอะไรคือหลับหลับตื่นตืนเดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวก็ตื่นนอนก็ไม่อิ่มสุขภาพเสียเพราฉะนั้นก่อนหลับก่อนนอนก็คือ กำหนดเนื่องจาคุณของผู้เจ้าประธรรมประสงคุณของพ่อแม่คุณของครูบาอาจารย์คุณของผู้คุณทั้งหมดแล้วก็อุทิศความดีแต่อย่าลืมนะว่าก่อนที่จะอุทิศความดีเนี่ยเราต้องมีความดีด้วยนะหมายคก็ว่าวันนั้นเราต้องทําความดีด้วยแปลว่ามือนเราจะเอาสตางค์ให้คนอื่นเราต้องมีสตางค์ก่อนนะก่อนที่จะแผ่เมตตาคนอื่นเราก็ต้องมีเมตตาก่อนอย่ า, าตั้งใจแผ่เมตตานะ ตัวเองไม่มีเมตตาเลยจะเอาสตางค์ให้เขาต้องมีสตางค์ก่อนจะเอาความดีให้เขาเราต้องมีความดีก่อนจะแผ่เมตตาคนอื่นเขาเราต้องมีเมตตาก่อนอันนี้คือหลักง่าายๆเพระฉะนั้นทั้งวันทั้งคืนจบแล้วหลังจากนั้นเจ็ดแปดชั่วโมงเหมือนคุณแม่พระพุทธเจา้าท่านเรียกว่าใครกระดามที่ แต่ท่านปิยบไปแรงนะท่านบอกว่าคนที่อยู่โดยการปราศจากสติมันไม่ต่างอะไรกับคนตายแต่พูดอย่างนีนะ้ก็น่าจะจริงนะเพราะว่าในขณะที่เราหลับนอนหมดแล้วเนี่ยบุญบาปก็ไม่เกิดกุศลอกุศลก็ไม่เกิดหมดไปเจ็ดแปดชั่ววูงวันหนึ่ง็ีอย่างร้อยคือไม่ได้อะไร อันนี้ฝากพวกเราทุกคนเพื่อเป็นแนวนึ้แนวคิดแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยว่างนี่คือจําไว้สั้นๆว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่ให้เราวัดกายตัวเองได้วัดประจาตัวเองได้วัดแจงเทิงได้อยู่ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาวัดถวัดได้นะจะไปเอ็กซ์ไซรกโรคเซล้านอยู่นก็ไม่ได้แล้ววัดวัดปัจจัยไม่ได้ ก, ก็ต้องระวังระวัง อย่างนี้น ค, คือคือวัดจริงๆเพะฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมส่งแสดงความห่วงหาอะไรคุณแม่เราแต่วันเป็นคืนสุดท้ายในวันนี้ท่านไปดีแล้วก็เหลือแต่ววพวกเราอยู่แต่บริหารจัด ก, การกับชีวิตได้เอกเมื่อไหร่กี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่รู้แต่โดยเฉลี่ยแล้ว อายุของมนุษย์เนี่ยเจ็ดสิบห้าเองนะไม่ได้เยอะนะอันนี้คือเฉลีย่ยเพราะนั้นคุณแม่ถือว่าเกินแล้วผุ้ทธเจ้าแปดสิบคุณแม่แปสี่นะก็ไม่ได้แล้ถือที่พวกเราเนี่แหละวัยสุดท้ายแล้วฝากให้พวกเราทุกคนว่าเลขของไปแล้วเนี่มันน่าจะปล่อยน่าจะวางทุกอย่างแล้วหันมา วัดตัวเองคือขวัดเนี่ยแหละคือวัดตัวเองทุกวันทุกวันเนี่ ย, เ, ยเราก็จะไม่เกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายฟรีเราจะได้ของดีเพิ่มก็คือบุญกุศล น, น, นี่ยแหละเพราะนั้นบุญกุศล น, น, นั่คือต้นทุนของพวกเราที่จะไปต่อเนี่ยข้างหน้าก็ขอต้นทุนหรือว่าบุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายได้กระทามันเป็นในค่ําคืนวันนี้ จงถึงแก่คุณแม่และดาวันกระจอนกันเพชรใหญ่ใหญ่ปู่ดวงรับไปแล้วาท่านได้รับรู้รับทราบโดยยานะวิถีแต่ใดก็ตามท่านคงจะอนุโมทนาความดีของผู้เราในค่ำคืนวันนี้ขอความดีอันนี้จนถึงแก่บรรพบุรุษของผู้เราคือพ่อแม่ปู่ยา่าตายายผู้มีพระคุณทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ เครื่องลายได้กระทำบาเพ็ญในวันนี้การแสดงธรรมกอสขควรแก่เวลาเอวังก็มีลูกกาก็เช่นนี้